เราได้เคลียรประเด็นว่าเราปฏิบัติมาทั้งวันนะตรงไหนที่เราผ่านได้ตรงไหนที่ผ่านไม่ได้เพราะอะไรเป็นช่วงๆไปอั้งนี้เพื่อเวลาเรา ป, ปฏิบัติไาแล้วนี่นเวลาอารมณงสิ่งบางอย่างมันผ่านเข้ามาเราแก้ไม่ตกเราก็ต้องข้อสังเกตตัต้งข้อสงสัยว่าทำไมไม่แก้ไม่ตกเพราะอะไร แ, แก้อย่างไรตัวนี้ที่ต้องการจะให้นำเอาประเด็นนั้นมาเป็นคาถามถ้าสมมติว่าเราจะบอกถึงเรื่องอารมณ์ให้อารมณ์ทั่วไปจะเป็นช่วงเช้าช่วงเย็นเป็นการสอบอารมณ์หรือกระถามปัญหาถามข้อสงสัยเกี่ยวกับการปฏิบัติแต่คนไหนที่ไม่มีข้อสงสัยแก้ ปัญหาของตัวเองได้รือราบรื่นทั้งวันก็ก็ไม่มีคำถามนะซึ่งก็สำหรับบางคนเป็นผู้ใหม่เป็นผู้ยังไม่เคยเก็บอรารมณ์ก็จะได้มีข้อสงสัยข้อไต่ถามก็ทำให้แจ้งเผื่อว่าในวันเก็บอารมณ์ในวันต่อไปเราก็าจะไดะ้ต่อบทเรียน ว่าเราจะดูอะไรต่อไปวันนี้เราดูเรื่องนี้เราผ่านอะไรได้บ้างผ่านนิวรณ์ได้ไหมผ่านตัวทุกขเวทนาต่างๆได้ไหมเราเห็นสภาวะธรรมต่างๆที่ปรากฏอย่างไรถูกต้องหรือไม่พิจารณาแบบนี้เป็นอย่างไรอันนี้ก็คือนาที่เป็นประเด็นมาเคลียร์ชงเย็นเรียกว่าการสอบวิรุณวันนี้จะเริ่มต้นจากข้างหลังมา เรามาข้างน้าเตรียมตัวจากนู่นเรียนถามหรางว่าสมาธิจากการเดินจกกงกรมกับสมาธิจากการ ส, สี่ท่านนี้ค่ะนั่งสั้นจังหวะนะะต่างกันหรือว่าเหมือนกันสมาธิจากการเดินจกกงกรมและสมาธิาการนั่งสั่นจังวะต่างกันหรือเหมือนกันแต่ถ้าเราทําด้วยลักษณะอาการที่เพ่ง ไม่ว่าเพ่งการเดินหรือเพ่งกั น, น, กนยกมือก็ถือว่าเป็นสมาธิเหมือนกันแต่ว่าในการเดินจุ ก, กงก็ดีสร้างจังหวะก็ดีเราไม่ได้ตั้งสมาธิแต่เราตั้งตัวสังเกตที่เราเรียกว่าสติสัมปชัญญะคําว่าสติสัมปชัญญะเราเลือกชื่อรวมว่าสังเกตเฝ้าดูตามดูเวลาเดินอาการอะไรที่กําลัง เกิดขึ้นเพลินไม่สบายหมหรือไม่สบายหรือคิดหรือไม่คิดปรุงหรือไม่ปรุงในขณะเดินเนี่ยราจะสังเกตอาการล่านี้แต่ถ้าหากว่าอาการของเวทนาเดินไปแล้วมันปวดแข้งปวดขาปวดหลังปวดเอวเดินไปแล้วมันขัดข้อแข้งข้อขาข้อเท้าเราก็แก้มันไปตามอาการเดินไปแล้วมันทำท่าจะเพลิน มันเริ่มมีความคิดปรุงเข้ามาเป็นระยะๆนี่แล้วก็ไปแก้ความเพลินเพื่อที่จะให้เห็นความคิดเห็นอาการของการคิดเห็นการที่มันเกิดความคิดเห็นความคิดที่ดับไปเราต้องการตัวการสังเกตมากกว่าที่ตั้งสมาธิให้นิ่งอยู่อาการอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ให้เฝ้าดูทั่วๆทั่วทั้หัวจุดเท้าเื่อ เฝ้าดูอาการต่างๆว่าตัวไหนจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรนำไปสู่อั น, นิจังทุกขังอนัตตาอย่างไรมันนำไปอย่างไรแต่เวลานั่งก็เน้นให้นั่งมากกว่าเดินเพราะว่ามันมีอารมณ์ให้ดูได้เยอะอหมายความว่ามันเป็นเอียบทที่ง่ายต่อจะให้เกิด ประเด็นปัญหานั่งไปซักพักมันอาจจะปวดหลงังปวดเอวนั่งไปซักพักมันจะขี้เกียจนั่งไปซักพักมันจะสงบนั่งไปซักพักมันจะเพลินนั่งไปซักพักมันจะง่วงอะไรแบบนั้นมันมีอารมณ์ที่สลับไม่เห็นอารณ์ขึ้นเพราะฉะนั้นสำหรับผู้มีประสบการณ์แล้วควรจะนั่งให้ยาวกว่าแต่สำหรับผู้ที่ยังไม่มีประสบการณ์แก้ปัญหาในขณะนั่งไม่ทันมันก็ให้เกิดอาการเบื่อหน่ายท้อถอย ก็หันมาเดินเพราะเป็นอิบทที่เบาสบายก็เรียกว่าให้มันเกิดความช่ำชื่นเกิดความเพลิดเพลินไปสักพักก่อนสำหรับผู้ใหม่เพื่อเป็นน้ําหล่อเลี้ยงศรัทธาได้จีดใจให้มีความขยันหมัน่นแต่พอเรารู้สาระมันแล้วว่าใจคิดไปย็งไงใจไม่คิดเป็นใจเพลินไม่เป็นยังไงใจไม่เพลินเป็นยังไงเริ่มแก้ไขเป็นมากขึ้นก็หัดมานั่งยาว เพราะนั่งยาวนี้มีปัญหาให้ดูเยอะแน่นอนเพราะฉะนั้นถามว่าสมาธิที่เกิดจากการเดินและการนั่งต่างกันอย่างไรเพราะว่าเราไม่ได้ใช้สมาธิสมาธิหมายถึงเพ่งกายให้สงบเพ่งจิตให้สงบที่เป็นสมถะแต่สมาธิที่เป็นวิปัสนาหมายถึงการสังเกตเฝ้าดูตามรู้ตา ม, ตามเห็นสิ่งที่ปรากฏขึ้นปัจจุบันเพราะฉะนั้นสมาธิตัวนี้เป็นสติสัมปชัญญะ เป็นสมาสมาธิต่างกันสมาธิเพ่งเนะี่ยอาจจะเป็นวิชาสมาธิก็ได้แต่สมาธิเกิดจากการตามรู้ตามดูตามเห็นที่เรียกว่าสติสัมยะเป็นสัมาสมาธิต่างกันตรงนั้นเองเข้าใจนะครั้งหน้าคุณจะอย่างนะจากนักการข้าเองก็ตอนที่สอบอรุณที่ที่พักอะค่ะยังเป็นใจอย่านี้จริงๆเพื่อว่า อ, อที่เรนหนูพ่อว่าตอนทานข้าวอะค่ะจะรู้สึกว่าตัวเองจะตามตามดูอะค่ะขาขาตึงไหล่ตึงก็ปรับหมดยกช้อนก็รู้สึกอะไรนคะคะในที่หนูพ่อบอกว่ามันอาจจะเกิดจากการเพ่งตรงเนี้ยค่ะก็เลยอยากจะเดินถามว่าสังเกตยังไงคะว่าความรู้สึกตัวตรงเนี้ยเป็นการเพ่งเพ่งเบาๆหรือว่ามันโป่งมันมันไม่ได้เพ่งนะคะอืม คือลักษณะแรงลายเพ่งหรือไม่เพ่งถ้าลักษณะการเพ่งหมายความมันพยายามจะรู้ที่เดียวเรียกว่าเพ่งนะแต่ถ้าหากว่าเป็นลักษณะไม่เพ่งรู้ตั้งแต่หัวจุดเท้าที่มีความรู้สึกชัดเจนพอๆกันโดยที่ไม่รวมณจุดใดจุดหนึ่งชัดเกินไปนะนั้นเรียกว่านั้นสังเกตเราต้องการตัวนี้มากกว่าเพราะมันจะเป็น การระบายกําลังของจิตซึ่งถ้ามันรวมอยู่ที่เดียวนานมันเกิดการเพง่งโดยอัตโนมัติเ mm hmm. พราะมันโฟกัสมากแต่ถ้าเกิดจากการสังเกตพยายามสังเกตทั่วเนื้อทุ่นตัวตลอดถึงมือที่กําลังหยิบไปพร้อมๆกันความรู้ในส่วนอื่นรู้สึกตัวในส่วนอื่นก็ไปรู้สึกชัดดีเหมือนกันลักษณะนี้มันก็จะไม่เกิดเป็นนิมิตหรือเป็นอะไรที่บูบาทหรือผิดปกติขึ้นมาแต่ถ้าเราเพ่งเป็นนานๆมันจิตมันว่าแกสร้างนิมิตสร้าง อะไรของมันเองขึ้นมาซึ่งมันก็จะทําให้เกิดความแปลกใจอะไรต่างๆขึ้นมาแต่ถ้าหากว่าเราไม่ต้องเพ่งเนี่ยดูอาการโทษถึงมันมันก็จะไม่มีมีิติอะไรเหล่านี้ที่เป็นอาการของสมถะ น, นะเพราะฉะนั้นอาการที่เพิงหมายถึงว่าเฝ้าดูอยู่ที่เดียวนานๆ น, น, นะพิงก็ตะมือหยิบตามดูไปตลอดสี่พิงแหละ แต่ถ้าหากว่าเราสังเกตทั้งหมดทั้งเนื้อทั้งตัวกําลังเดินก็รู้กําลังยืนก็รู้กําลังหยิบก็รู้กําลังอ่าเย็นร้อนอ่อนแข็งจำร่างกายก็รู้ชัดอยู่ทั่วๆกันอันนี้เป็นการต้องการให้เป็นแบบนี้นะไอส่งไปทั้งผู้ชายนุง่งทางด้านนุอ่อหลวงพ่อให้วันนี้ให้ดูให้ดูทํามสึกสบายไม่สบายใช่ไหมคะมแล้วทีนี้ก็ก็เลยไปดูมันเยอะ พอดูมันเยอะมันก็มันก็จะเห็นอะไรหลายอย่างแต่ว่าจะจะเรียนถามหลวงพ่อว่าคือทำทุกอย่างทั้งดูมากดูน้อยดูจะถามหลวงพ่อว่าสักกี่เปอร์เซนต์ที่เราจะไปดูสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะขณะที่ดูสิ่งเหล่านี้มันรู้สึกตึงเครียดหรือผ่อนคลายก็เ อ, อยกตัวอย่างมันมีอากาศอิดอัดก่อนก็คือความไม่สบายแล้วก็มันก็แปลงร่างเป็น เป็นนิวรณ์ตร ว, วง่วงอืแล้วก็พอแปลงร่างแล้วมันก็จะเป็นความเบื่ออะไรมันก็จะออกมาอันนี้คือดูเยอะอืแล้วก็พอพอดูน้อยคือดูดูน้อยลงมาอีกนิดนึงก็ตามอยู่ตัวง่วงแล้วมันก็เหมือนมาสับสวิตตัวง่วงก็หายไปแล้วก็มันก็หายไปเลยเหมือนกับมันตัดตัดขาดความง่วงแล้วก็กลับมามีมีสติอีกอันนี้ก็เลย ไม่รู้ว่าจะดูสักกี่เปอร์เซ็นต์คือดูอความรู้สึกของการสร้างจังหวะหรือว่าเดินชุ่มกลมกับอาการที่มันเกิดขึ้นนะคะควจริงแล้วในช่วงดูเนี่ยเราแบ่งเปอร์เซนต์ไม่ได้เพราะมันเป็นนามธรรมแต่ว่าให้ดูว่าอาการที่มันเกิดอาการที่มันเกิดเนี่ยในความเพลินลก่อนเกิดความง่วงเพราะนั้นการเดินเนี่ย มันจะเพลินพอไปนั่งปั๊บมันก็จะเพลินพอเพลินแล้วมันจะไปหาง่วงแต่ในกรณีที่เราตั้งใจมากเกินไปเนี่ยมันจะทําให้เพลินได้ง่ายแต่ถ้าเราดูรวมๆหลวงๆทั้งเนื้อทั้งตัวเนี่ยมันก็จะไม่เพลินเพราะอาการมันจิตมันไม่ไปเพราะถ้าดูทั้งตัวมันจะเห็นทุกใช่ไหมมันเห็นทุกอาการไม่สบายมันก็จะปรับลักษณะปรับแก้เหล่านี้จิตมันก็ไม่ได้ฟ่งโฟกัสอยู่ที่ใดที่หนึ่ง อาการเพลินอาการง่วงก็จะไม่เกิดเพราะฉะนั้นดูโดยรวมว่าอาการมันผ่อนคลายไหมอาการมันรู้สึกโปร่งเบาสบายอันนั้นก็ถือว่าเปอร์เซ็นต์ของการสังเกตเนี่ยสูงกว่าการเพ่งแต่เมื่อไหร่มันนําไปสู่การเพลินการง่วงเนี่ยเปอร์เซ็นต์ของการเพ่งเพ่งเนี่ยมันสูงกว่าความรู้นู้นรู้ตัวซึ่งไม่ใช่เป็นสม า, สมาธิแล้วเราก็ปรับแก่ฉั้นพอปรับแก้มันเริ่มเป็นสติสัมปชัญญะมันก็ผ่อนคลายใช่ไหมความง่วงก็หายไป เพราะฉะนั้นในส่วนให้สังเกตทั่วทวตัวเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนลักษณะของการปฏิบัติจากมิจฉาสมาธิก็เป็นสมาสมาธิสมาสมาธิดูที่ว่ามันสติสัมยะคอยสังเกตแล้วเกิดการผ่อนคลายไหมถ้าผ่อนคลายเออเป็นสมาสมาธิแต่ถ้ามันรู้สึกยังตึงๆอยู่ก็ปรับแก้อีกปรับแก้อีกจนกระทั่งว่ามันหายตึงกลายมาผ่อนคลายแล้วก็เบาโปรง ก็กลับมาเป็นสมาธิดอีกครั้งหนึ่งถ้ามันลืมตึงอีกมันจะเข้าไปสู่อาการเพ่งเป็นวิชาสมาธิก็ปรับแก้อย่างเนี้ยจนกว่าจะมันปกติสบายๆนะไม่หนักไปทางง่วงไม่หนักไปทางเพง่งไม่หนักไปทางอึดอัดถึงเครียดแต่ศึกเบาสบายขึ้นนะอันนี้ถูกต้องลนะเราเป็นนักการหลวงพ่อเจ้าค่ะวันนี้ที่หลวงพ่อไปสอนอารมณ์ให้ดูเรื่องรูนาะม แล้วก็ให้พิจารณาเป็นปรมิต์คือรูปนามเป็นสมมตริรูปนามเป็นสมมุติใช่ั้ไนะคะแล้วก็ให้พิจารณาว่าสมมติทั้งหลายมาันเที่ยงใช่ไหมจ๊มะะหรือว่าเป็นสิ่งที่เป็น แต่ตนนี้ถ้าหมดทั้ ง, งปวงเป็นความจําที่เราจําแต่ว่าสภาวะที่ได้วันนี้เป็นไงบ้างโดยทั่วไปโดยรวม <c oughs> หมายถึงสภาพโดยรวมของวันนี้สภาวะท่วไปก็เป็นลักษณะของขันท่านะคะตันนี้อาการเป็นไงขันท่าขันท่าตรงเวทนารู้สึกไม่มีวิวอณเลยแต่ว่าก็ยัง ลักษณะของมันแรงอะไรที่กวนนิดนึงแล้วก็อากาศร้อนก็กลับไปไม่ไม่สบอีก็วนกลับมาใหม่ว่าอ่ะตับแก้ใหม่ที่จิตนะคะตอนนี้คือขั้นห้าปรากฏชัดอยู่ที่เวทนาใช่ไหมเวทนาทั้งสามที่เวทนาตรงนี้มันเป็นเวทนาทางกายหรือเวทนาทางจิต <c oughs> แล้วก็เขาดูเข้าไปตรงนั้นส <c oughs> มมตว่าถ้าเริ่มต้น ถ้าเรื่อปัจจุบันเสมอใช่ไหมเราก็จะสัมผัสอาการของทุกวิถีนานได้ง่ายกว่าที่ดูว่าทุกวิถีนานที่นี่เป็นเฉพาะจํากัดอยู่ที่กายหรือว่ามันเริ่มเข้าไปสู่ที่จิตด้วยถ้าเริ่มไปสู่ที่จิตมันก็จะเป็นสังขารเป็นปรุงแต่งขึ้นมามันก่อเป็นนามรูปขันห้าที่เป็นรูปนามก็ขันห้าจะกลายเป็นนามรูปและที่นี่ซึ่งตัวที่เป็นนามรูปเราก็รู้ว่าเป็นสมุทยัยที่ทําให้เกิดความสมบายไม่อทั ไม่สบายทางจิตก็ให้เกิดความเบือ่อความ ง, ง่วงความขี้เกียจความอึดอัดความฟุ้งซ่านขึ้นมาหนารูปตัวนั้นเราก็เอาตั้งสติมาดูที่ความรู้สึกที่เป็นฝ่ายรูปเวทนารือกลับมาดูความเย็นด้อนอ่อนแข็งเข่งตึงด้วยการปรับเปลี่ยนนิย eb ดยืนบ้างเดินบ้างนั่งบ้างสลับไปสมาจนครั้งรู้สึกว่าเราสามารถ จำกัดขอบเขตของความรู้สึกอยู่แค่รูปนามแต่ถ้าเมื่อใดลัศดีหลงลืมไม่ทันเพลิ น, นาการเขารูน่นามปับ๊บมันก็จะเข้าไปสู่จิตเป็นความชอบใจไม่ชอบใจในเวทนาที่เกิดขณะนั้นๆั้นซึ่งตัวนั้นเมื่อกีก้กลายเป็นนามรูปก็สลับกันไปสลับกันมาอย่างี้ขึ้นอยู่ว่ากำลังของสติชำระเราอ่อนเราแข็งแค่ไหนแต่ละขณะนะ แน่อนอนสั ง, สงเกตถึงสองด้านสังเกตยั้งรูปทังนามว่าขณะ น, นี้ความรู้สึกชัดๆเนี่ยมันอยู่ฝ่ายไหนฝ่ายรูปหรือฝ่ายนามถ้ามันอยู่เพียงแต่ฝ่ายรูปโอเคก็ปลอดภัยแต่ถ้าลืมรู้ปับ๊บมันก็ไปเป็นฝ่ายนามไปสร้างรูไปไปฝ่ายเข้าไปในความคิดละนะถ้าเรารู้สึกตัวชัดออกกลับมาดูรูปใหม่ขึ้นอยู่กับความเร็วของสติสัญญาที่สังเกตเนี่ยจะเร็วแค่ไหน ถ้าว่ามันเร็วมันก็สามารถสวิตต์กลับมาอยู่ที่รูปอาการของรูปชัดๆก็ประคองไปเรื่อยๆพอเผือปับมันสวิตต์ไปทางน้ำไปสร้างน้ำมารูปอยู่แล้วกลับไปกลับมาโดยกระทั่งสติเราทีขึ้นทีขึ้นตัวความรู้สึกตัวมันก็จะมาดูที่ความรู้สึกทางกายชัดเจนมากกว่าจิตของเราก็จะไม่รู้สึกอึดอัดลำคาญไม่เกิดนิวร์เพราะความไวของสติมันกลับมาเด้งมันกลับมาอยู่ที่ฝ่ายลู่เนี่ยมากกว่า แต่ถ้าเราเพลินมันก็เดินกลับไปสู่ทางฝ่ายนามเดี๋ยวก็ก่อให้เกิดนิวรณ์เกิดความง่วงความเบื่อความขี้เกียจขึ้นมาให้ลัวออกมันกลับไปตรงนั้นแล้วมันก็ไปกลับมาก็เฝ้าดูอย่างเงี้ยสองอย่างเนี่ยเฝ้าดูกลับไปก็มาสองอย่างให้ชัดขึ้นชัดขึ้นเมื่อรู้อย่างนี้เนี่ยมันก็ปล่อยให้อายตนะทั้งหทั้งสี่ทั้งห้าของเราไปดูอะไรข้างนอกมันก็เห็นเพียงแต่ว่าเป็นลูกเป็นนามมันไม่ได้เห็นสมมุติว่าเป็นอันนั้นเป็น ต้นนั้นต้นนี้ออกมาก็เห็นเฉยๆเพราะเราเห็นรูปนามที่ปัจจุบันที่เราดูไปดูมาชัดใช <T Commons. S 1> uh ่ไหมเมื่อเมื่อกระทบข้างนอกปั๊บมันก็ยจดเหลือแค่สองมันกันเพราะมันเกิดทักษะขึ้นมาลักษณะนี้เรียกว่าเป็นอาการเฝ้าดูรูปนามนะปรัปัจจุบันลออาากกว่่นจะเ็ย เดินดีแล้วถึงได้กลับมานั่งใหม่มันก็รู้สึกว่าจะช่วยให้ปัญหาเรื่องง่วงนอนหายหายไปไดแต่ว่าในอช่วงที่มันเพลินก็รู้ทันอยู่ใช่ไหมรู้สึกเลยว่าอยู่ช่งง่วงแน่ๆก็แก้ซะก่อนแก้ทันเป็นหลายครั้งไหมหรือเพิ่งเป็นครั้งเดียวเดียวเราจากนั้นมาก็ไม่ไม่รู้สึกง่วงเลย แต่ก็ไม่ได้เผลอหลับหรือไม่เผล อ, อนั่งสงบนะไม่เผลอนะครับได้ต่อเนื่องตลอดก็ถือว่าใช้ได้นะงั้นพรุ่งนี้มีผู้เดียเข้าเก็บประหลงอีกสามท่านขึ้นหนึ่งคุณบุญมาสองยมณราชนีสามก็คุณนุช์นะเอ อ, เ อ, อคุณราชนีเข้าแล้วเนาะคุณดวงเดือน คุณดวงเดือนคุณนุชแล้วคุณอุนมาผู้นี้นะอ๋อส่งไปไปให้คุณดวงเดือนมีข้อปัญหาไหมหาจะเ่จปังที่เมื่อวานนี้บอกว่าจะรียอาจารยแบบปุ๊บปัจจุบันวันนี้ไม่มีอะไรวันนี้วันนี้ดีขึ้นมากมารู้สึกเพลินก็ น้อยควาเมื่อวานเยอะแต่ก็สติรับรู้ทันว่อาอาปาฏิมันร่างกายแบบมันทุกข์ละเปลี่ยนไปเดินก็ปรับเรื่อยๆนะปรับไปเรื่อยๆอันนี้จะมีข้อสงสัยว่าเวลาเดินสมาธิเนี่ยมันเดินแล้วก็เอ่อ g r a ความรู้สึกที่เท้าหนักบาแต่ว่าบางทีจะไปสังเกตตร ง, งแสใจตัวเองด้วยอื ใจเพื่อได้แล้วก็พร้อเนี่ยสองอย่างด้วยกันหรือว่าจะย่างดะยังแต่ถ้าหากว่าเรามันไม่เผลอเข้าไปติดสงบหรือไม่เผลอเพ่งแล้วก็หายใจร่วมด้วยก็ไม่เปไน็นไรเพราะลมหายใจมันก็ช่วยอีกระดับหนึ่งนะอะเพียงแต่ว่าลมหายใจมันมันก่อให้การเผลอรีไปเพ่งไปตั้งใจตรงนั้นเราไม่ไปลืมอาการอ่างกายในส่วนอื่นเสีย แต่เราสามารถรับรู้กายส่วนอื่นชัดเจนอยู่ลมหายใจก็ชัดเจนอยู่ก็โอเคก็ใช้ดได้ถือว่าเป็นสัมปชัญญะดูในบทย่อยไปพห้อมกันเพียงแต่ว่าอย่าให้ความสำคัญพิเศษกับมันเดี๋ยวจิตมันจะไปเพ่งตรงนั้นได้ก็ต้องระวังตรงนั้นด้วยนะโอเคเอส่งไปให้ม น, หนังข้างหลัง ก็เห็นความความคิดลดลงสั้ลงเรื่อยๆก็เรื่องที่คิดก็ไม่มีอะไรน้อยลงค่ะอืมยาบุงแต่งก็ไม่มีแล้วอารมณ์รวมทั้งวันเป็นอย่างนี้ตลอดวันหรือยงอะไรอื่นเป็นช่วงที่อารมณ์การเป่นของคน20ตัวช่วงช่วงเช้าเป็นไงนี่เช้าถึงเพลน เพลินไม่ง่วงไหมไม่ง่วงแต่คิดอ่ะพาความเพลินมันจะเป็นได้ทั้งความคิดและความง่วงแล้วท่านได้แก้ไขช่วงคิดโดยช่วงช่วงเพลินาัก็มอ่าเราม า, าแก้ที่ตัวคิดแต่ไม่ทันแก้ตัวเพลินยังยังถือว่ามันยังไม่เป็นประทัดยังปลายเหตุอยู่นะต้นเหตุที่เพลินมาจับตัว แล้วช่วงบ่ายที่หลวพอไปอารมณ์ก็จเข้าใจคู้แล้วก็เป็นแก่ที่ดูเพลไม่ได้คิ ด, มคดไม่เรื่อพยาพยามพยายามตรวจสอบอาการเพลินน่ะเพลินระดับไหนระดับต้นระดับกลาง ร, ระดับปลายเนี่ยนะถ้าเพลินระดับปลายมันพร้อมจะเข้าสู่นิวรณ์ละเพลินระดับต้นรู้สึกครื่องเริมรู้จึกว่าชอบๆอบเหมือนได้อารมณ์ทํานองนั้นนะกนะ็เพลินซึ่งตรงนี้อืม คนนักปฏิบัติชนใหญ่จะแยกไม่ออกว่าอันไหนเป็นความได้อารมณ์อันไหนเป็นความเพลิคนบางครั้ามันได้อารมณ์รู้สึกมันสนุกเราก็แยกไม่ออกแล้วว่าความสนุกในการที่มันได้อารมณ์กับความเพลินต่างกันอย่างไรเนี่ยที่นี้ข้อแตกต่างก็คือถ้าว่ามันได้อารมณ์หมายว่ามันเบาสบายแต่ว่าขณะเดียวกันมันก็เห็นอาการร่างกายชัดอย่างนี้ก็เรียกว่าได้อารมณ์แต่ถ้าคนเพลินเนี่ยมันมัน อารมณ์มันรวมอยู่จุดใดจุดหนึ่งเพลินจุดนั้จุดใดจุดหนึ่งแต่มันมันสื่อทั้งหมดไม่ได้มันลืมบางส่วนทางกายเนี่ยแต่มันเข้าไปในความเพลินนัน้นนี้เรียกว่าในฝ่ายที่จะเป็นนิวรณ์หรือฝ่ายที่เป็นตัวเหตุที่จะไปสู่ น, นิวรณ์ตอนนั้นตรงนี้ต้องแยบไข่นิดหนึ่งนะระหว่างความเพลินกับได้อารมณ์ได้อารมณ์ก็เหมือนเพลินแต่ว่ามันสื่อความรู้สึกตัวทั่วพร้อมได้ชัดกว่าเพลินนั้นมัน มันสบายมันได้อารมณ์แต่ว่ามันสื่อกับความรู้สึกตัวทั่วพอมอาการทางกายไม่ชัดมันโฟกัสไปที่ใดที่หนึ่งนะสอบถามเรื่ อ, อสงตัวสงสัยอะค่ะเกิสังเกตยังไงสงสัยเออจะไปติดในตัวสงสัยแล้วมันไม่รู้ตัวเราสงสัยอะไรมันก็ต้องมีเรื่องที่สงสัยก็ น, นดีวันนี้มีเรื่องอะไรสงสัยมั่ง อาการสงสัยก็งงงงเงงเงไม่น่าไม่ไม่มั่นใจแล้วก็ยังทึมทึมทื่อๆแล้วตรงนั้นอาการของที่มันเกิดสงสัยอนะมันก็พาพาไปคิดนะเพื่ความคิดเพราะความเขาเรียกความไม่ชัดเจนเ่ตัวสงสัยวิธีกิจชาติตรงนี้มันพัฒนามาจากตัวอุทุกขมสุขเวทนาคือไม่ไม่ชัดเจนทุกก็ไม่ชัดทุกก็ไม่ชัดมันก็ให้เกิดความเพลินได้ง่ายไงเพราะมันเพลินในความไม่สุขไม่ทุกข์เสีย แล้วสติไม่ตามรู้ไอตัวอทุกขมกสุขก็แปลเป็นอุเปขาเวทนาเขาเรียกว่าเฉยๆแบบซื่อบือ้อเฟือเหมือนกันเฟือแบบซื่อบื้อแล้วก็อุเปขาเวทนาคือเพลินเลิแบบไม่รู้ก็ไม่ตามไม่ตามรู้ออกมันก็ออกมาเป็นตัววิจิกิจชาวิจิกิจชาก็ไม่ชัดเหมือนกันมันสงสัยเรื่องอะไรบอกตัวเองไม่ถูกเมื่อกลายมาเป็นตัวโมหะ ตัวมหาก็ไม่รู้เหมือนกันชาตินึ่ก็กลายมาเป็นตัวตัวทิฐิ ali, พัฒนาไปตามลำดับของมันเพราะนั้นมันเริ่มต้นจากอทุกขมสุขพัฒนาหรือมันเริ่มต้นจากอนัตตานั่นแหละตัวว ik ah well ิจิขิชาตัวนี้นะะอนัตตาจับร <asa Senin S 2> ู้จับหลักมันได้แล้วก็ไปไปรู้ให้ชัดในความรู้สึกที่เป็นสุขเป็นทุกข์ให้ชัดชัดเสียตัวไอไม่ชัดหรือตัววิจิขิชาตัวนี้ก็จะหายไปขณะนี้สุขเพลนให้รู้ชัดชัดอึมเพลินปีงี้นะ แค่น er> yeah, ี้รู้สึกมีทุกขเวทนาก็ให้รู้ใช่เอทุกขเวทนานเป็นอย่างนี้นะแล้วก็ตามรู้ไปข้อสงสัยก็หายไปลองไปซ้อมๆดูนะเผื่อว่ามันหายได้ให้ส่งขึ้นมาให้โยมป๊อกโยงอยากสอบถามว่าปกติเนี่ยการกาหนดทุกการนั่งที่ถูกต้องเนี่ยจะจะเจอที่บอนหรือหรจะไม่เจอที่บอดอีกเลยนะคะหรือว่าเจอที่เรื่อยปรับี่เรื อ๋อต้องปรับเรื่อยๆเพราะต้นตอของมันคืออนิจจังมันเปลี่ยนแปลงตลอเวลาร่างกายธาสีนี่นะเพราะฉะนั้นถ้าหากเราปรับไม่ทันนิวรน์ก็จะมาถ้าเราปรับเรื่อยๆนิวรนก็จะไปหายไปเพราะว่าความขึ้นอยู่กับว่าตัวอินทรีย์ของเราเนี่ยแข็งหรืออ่อนถ้าตัวอิียอ่อนหมายความว่ามันการเปลี่ยนแปลงมันจะมาไวมันจะปวดไวเจ็บไปไวเบื่อไวคิดไวง่วงไวเง้อไวมันมันไวมันมาขึ้นไว นก็ไอซีมันอ่อนมัเซนซิทีฟเหมือนกันแหละแต่ถ้าอีซีเข้มแข็งเนี่ยหมายความว่าอารมณ์แต่ด้อย่างมันมีความค่อนข้างหนักและทนไม่ค่อยหวั่นไหวไปกับไอความเจ็บความปวดความเมื่อยความแรงต่างไม่ค่อยหวั่นไปไปกับมันลักษณะอย่างนี้มันก็จะอ่านิ่งได้นานนะจะเปลี่ยนบ้างไม่เปลี่ยนบ้างก็พอทนได้คือไม่ความคนอดทนนะคนเข้มแข็งจะอดทนได้ดีฝ่าเพราะนั้นมันก็รู้สึกว่าจะนิ่งได้นาน แต่คนเอาแนนี่จ ะ, ะความมุทุนน้อยให้การสงบนิ่งจ ะ, ะมันชั้นๆแล้วก็ค่อยๆปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆให้สอดคล้องกับแต่คนอินซีแข็งอินซีอ่อนเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคนะขึ้นอยู่กับ เ, เราเราปรับขยันปรับหรือ้วยถ้าอินซีเราอ่อนก็ขยันปรับหน่อ ย, ยมันก็คงที่ได้แต่คนไหนอินซีเข้มแข็งถ้าไม่ขยันปรับก็โอกาสที่จะเผือก็มีเยอะเหมือนกัน โอกาสที่จะเพลินอ่ ะ, อะมันก็นมีข้อดีข้อเสียแต่ถ้าหากว่าเราเป็นคนอีซีอ่อนเราขี้เกียจไม่ขยันเดีย๋ยวยิ่งหนักไปกว่าคนอีซีแข็งอ่ะน ะ, ะเพราะนั้นตัวที่ว่าความเพียรเนี่ยแก้ไขได้ปรับได้ไม่ว่าทางอีซีแข็งที่อ่อนเพราะนั้นก็เพียรปรับเพียรขยันเพียรแก้ไปเรื่อยๆก่อนวันหนึ่งอีซีเราจะจะเข้มแข็งขึ้นมาเพรามจะรู้มีสมาธิมีความอดมทนมากขึ้นเข้าใจนะเค บางทีเรากำหนดไออารมณ์มันมากระเราไม่ชอบหรือเราชอบเรื่องมันเราควรทำไหมหรือว่าทานั้นเป็นฟุ้งไปสติที่มันเริ่มต้นจะเกิดนะสติภายในมันออกมาค่อนข้างชัดเขาเรียกว่าเป็นเป็นตัวตอบตัวาถามกันในตัวเสร็จขณะที่เราทําบางวันนะะลักษณะเนี่ยเขาเรียกว่ามัน เป็นตัวเคยทําสมาธิมาก่อนสติตัวนี้เวลามันเกิดขึ้นมันก็ชัดออกมาเป็นลักษณะตอบคําถามไปในตัวซึ่งทําไปนานๆตัวนี้มันจะเป็นคุณให้เราเกิดปัญญาได้ง่ายตัวที่ถามตอบมาชัดๆนี่นะซึ่งก็ทําให้เราเคลียร์ปัญหาบางอย่างได้ด้วยตัวเองโดยที่ไม่สงสัยเพราะมันมันซักซ้อมการสมมติฐานคําถามคําตอบเราหาคําตอบเอาเอง มันก็เริ่มหายสงสัยไปบางเรื่องง่ายๆเนี่ยนะบางเรื่องยากๆเรามาคบคิดต่อเดี๋ยวมันก็หานุนหานิมมันก็ได้คำตอบขึ้นมาบางครั้งอันนี้ก็มีส่วนที่จะทำให้เกิดปัญญาได้ง่ายในโอกาสต่อไปเพราะสมาธิมันจัดอ๋อแต่ว่าคำถามหล่านั้นไม่ใช่เราคิดขึ้นมาถามนะแต่ อ่ออ า, า, อาแค่รู้ก็พ อ, พอถ้าเราไปใส่สัญญาใส่จินตนาการความคิดเข้ามามันก็จะแทรกซ้อนหลายเรื่องเราจะเราจะงง ง, งแต่ถ้ารู้ก็รู้อร่อยก็ก็แล้วไปก็อร่อยก็รู้จักประมาณนี่นะอ เ, เะหนหนออเออก็จับจับไป ถ้ามันอร่อยก็รู้ประมาณการบริโภคถ้ามันไม่อร่อยก็รู้ว่าเอออันนี้มันอไม่ได้ทานเพื่ออร่อยนะทานเพื่ออิ่มเฉยเฉยอร่อยก็ได้ม่อร่อยก็ได้เนี่ยนะความจริงเราก็ต้องน่าอร่อยอนะ่าอร่อยเรก็รู้ว่าเอออร่อยเป็นอย่างนี้นะแต่เราเผลอมันก็เหมือนกับความเพลินนะนะถ้าเผลอไปในน้ำนก็กินซะอิ่มแปรเลยอ่ะนี่หวานก็ตามมาความเพลินในอายัดณะกับความเพลินในการรสชาติก็เหมือนกันเป็นเป็นนันทิที่ต้องละ ถ้ามากไปกว่า น, นั้นมันก็จะทําให้เกิด น, นิวรณนตัวต่างๆเพราะฉะนั้นพวกที่กินยเนยอะ ก, ก็มักจะง่วงกัะนะเพราะเพลินในการกิ น, นแล้วเพลินในการสบายก็นําไปสู่ง่วงได้เหมือนกันอาการเดียวกันเข้าใจ น, นะนที่เห็นนี่มันจะใช่เห็นขันห้าทุกจรเข้าต่อนะครับคือปกติผมก็จะเห็นหลังตัวเพลิดเพลินนะครั บ, นะน บ, นบนแต่วันบางทีเราคิดจะทำอะไรก็เห็นภาพหลอกเคน ขึ้นไปทำไปหยิบจับคนที่ได้ยินเสียงเครื่องบินที่เขาก่อนนี่ก็อลองดูมันจริงนะพอ ม, มันมันบินลับไม่หายไปมั น, มนก็เกิดความทุกข์เกิดความเศร้าเพราะว่ามีพี่สาวที่เสียชีวิตจากโรคเส้นเลือดเส้นเลืในสมองตั้งแล้วก็นอนไปเจ้าหญินีน่ตั้ปีก็ลักใครแค่ล้ชิดอยู่บ้านอยูกันมา เป็นคนช่วยประดามาทีนี้พอเห็นเสียงเครื่องบินก็เลยอยากดูก็มองไปที่ห้องฟ้าแล้วก็มองหาเครื่องบินพอเห็นเครื่องบินมันก็จะเกิดภาพพี่สาวนั้นขึ้นมาแล้วก็หลังจากนั้นก็เกิดเป็นความทุกข์ความเศร้า คือมันไม่ได้คิดตรุงแต่งนะว่มันรู้สึกออกมาเป็ความเศร้าการอย่างนี้จะเป็นลักษณะเห็นตัวสัญญาที่ขึ้นมาหรือว่าเวตนาที่อยู่ในสัญญาหรือเปล่าไอ้ตัวที่ไปดูครื่องบินนะเรารู้เท่าทันว่าเป็นตัวอย่างใช่ไหมเท่าทันไหมว่ามันอยากจะดูมันอยากมามันเหมือนกับเหมือนวิญญาณนะครับมันเกิดวิญญาณก่อนแล้ว มองหาเป้าคนทองเ้าที่มันว่างๆเลที่เนี่มันไปเชืเ่อมกับพระพี่สาวภาพของพี่สาวได้ไงเราต้องการดูเครื่องบินไปเห็นพี่สาวได้ลอยขึ้นมาแทนเครื่องบินเลยสอนนั่นสอนขึ้นมาคือตรงนี้คุณพิเชียนเคยทําสมาธมาก่อนนะเพราะฉะนั้นเราจะจิตของเราเนี่ยมันจะไปเพ่งไปดูอะไรที่ตั้งใจมากๆมันจะมีนิมิตพวกนี้ยขึ้นมาแทรกกัน เพราะฉะนั้นในส่วนที่เราจะต้องรู้เท่าทันคือว่าจิตของเราที่มันอยากจะดูอะไรมากๆเนะี่ยความมุ่งมั่นความตั้งใจน ะ, ะมันจะชัดเจนเป็นพิเศษวันนี้ไอ้ตัวความชัดเจนของสมาธิที่มุ่งมั่นที่จะดูอะไรสักอย่างเนะี่ยมันมีภาพสอนแทรกขึ้นมาเพราะฉะนั้นอาการของสมร tha เราเนี้มันมีเยอะมา ก, กาเรื่องนิมิตนิมิตอารมณ์ที่เกิดจากสมร t h ตัวเวทนาความสึกเศร้ามันตา ม, มาอ่านั่นนะครับพอมันเกินเป็นนิมิตนั้นปับเป็นนิมิตที่เป็นอดีตใช่ไหมแล้วมันก็จิมีเบื้องหลังของภาพนิมิตอั น, นั้นความรู้สึกที่เราไม่เท่าทันก็คือความอ่าพอเกิด น, นิมิตปั๊บก็เกินความเศร้าในเกิดความพอใจหรือไม่พอใจไม่พอใ จ, อใจเป็นสุขหรือเป็นทุกข์กอ่านี่นนะคือผลโพวงของมันที่ออกม า, มาจากการที่เราอยากอยากจะดู พออยากจะดูปั๊บเราลืมกำหนดตามรู้ปั๊บมันก็เอาไปเพ่งไปเพ่งก็เป็นนิมิตปั๊บความอยากก็แปลเปลี่ยนมาเป็นความเศร้าความาไม่สบายใจอันนี้เพราะฉะนั้นไอ้ตัวอำนาจหรือกำลังของสมถะที่ที่พระวิปัสสนาอย่างหลวงพ่อเทียนไม่อยากจะให้เขาไปยุ่งเพราะวันมีอนิมิตอะไรเยอะแยะแล้วทำให้นักปฏิบัติเนี่ยเกิดความสงสัยอะไรอะไรอะไรต่างๆเนี่ยมันทาให้นึ่นช้า เข้าไปเกี่ยวข้องนั้นเพราะฉะนั้นในช่วงที่เราปฏิบัติเนี่ยท่านพยายามที่จะมาให้โฟกัสหรือเพ่งจิตไปอันใดหนึ่งนานเกินไปพยายามรู้ตัวทั่วพร้อมเพราะถ้าเกิดว่าเราเพ่งอานใดหนึ่งสมถะเดิมของเราที่เคยมาปฏิบัติมันเกิดรวมตัวกันปั๊บหนึ่งเกิดเป็นนิมิตเป็นปีติเป็นสีเป็นแสงขึ้นมาเนี่ยเราก็งงแล้วเอ๊ะมันเกิดขึ้นได้อย่างไรแต่ถ้าเรารู้อาการเออเนี่มันเป็นอาการของนิมิตนะแล้วก็สลัดทิ้งไปในลักษณะนี้มันจะเกิดปัญญารู้ทันพวกนิมิตอัเกิดจากสมถะก็ ไม่ทำให้เราเกิดอาการทางจิต ท, ที่ชอบพึ่รักที่เศร้าที่อันนี้ได้เพราะรู้ฐานนึกสลัดเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องทาตัวความรู้สึกตัวเท่าพร้อมให้ชัดมากขึ้นเรื่อยๆเพื่อให้เกิดเป็นกำลังของตัวรู้คือปัญญาเมื่อมารู้เท่าฐานว่าอะไรเกิดขึ้นปั๊บเนี่ยมันก็จะไปตามรู้แล้วก็สลัดทิ้งทันทีแต่ถ้าไม่เกิดปัญญาตามรู้เหล่านี้เรื่ๆปัญญ๊บมันก็จะ สืบออกไปเป็นอาการของจิตต่างๆชอบไม่ชอบไปคิดไ ป, ปุงแต่งไปตามนั้นอันนี้ของโทษของสมถะที่เรารู้ไม่ทันนะนถ้าเราพิเพ่งมากๆพยายามแปลงตัวรู้นี้ให้เป็นสติสัมยะกำลังของสมถะก็แรงขึ้นนี่มิขกปรกฏบ่อยพิธิก็ปรากฏบ่อยแล้วก็ทำให้เราต้องอเนื่นช้าในการสร้างปัญญานะ okay. ปกติจะไม่มีนะอันนี้วันนี้สมาธิมันปรผสมประสานแกร่งหน่อยก็อีกเกณฑกับสัญญาอ่าแล้วก็เป็นก็มาทําหน้าที่รวมๆกันเนี่ยขันทั้งหแต่ขณะนั้นต้องยอมรับ ว, ว่ามันเกิดด้วยอํานาจของอวิชาชาคือไม่รู้เท่าทันความอยากจะดูเครื่องบินเหมือนกันพาตัวเราไปใช่ไหมมันก็มีตัวเสริมขึ้นมาทันทีเลยเพีงแต่ต้นเหตุไม่ทันต้นเหตุคือความอยากจะออกไปดูนั่นแหละถ้าเราคนเราเออนิสัตตะว่าเสียงก็จบ แต่ น, นี้มันสีธนาการเป็นนามรูปเป็นเครื่องบินขึ้นมาเนี่ยพอนามรูปเกิดกันตนหาก็ตามออกมาละก็พาเราเดินออกไปดูเครื่องบินพอตัตนาหาตาว ม, มาปับตัวสมรฐานที่เป็นมิจฉาสมรทิก็แทรกขึ้นมา